ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งต่อมฟังวันนี้เราจะไปฟังหัวข้อของปฏิจจสมุบาทที่เป็นตอนจบแล้วเป็นเอพิโซดที่10ก่อนที่เราจะไป ทำความเข้าใจในตอนจบก็เริ่มด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนจำบ้างทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวแล้วให้กำหนดจิตแผ่เมตตาไปโดยให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบา เป็นจิตกว้างขวา ง, วางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปอยัางสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเพืองขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวง ที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากชันใดเกินั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแพรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั่นเหมือนกันแล้วก็ให้ตั้งจิตอาไว้ อั้เป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางแพ้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศไม่อยากเช่นใดแต่นั่นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกักรุณามุทิตาและอุเบกขาแปรไปยังสรรพสัตว ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สปสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ่าละตัมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่ง ตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนจบแล้วเป็นเอพิโซดที่10ในซีรีส์ที่จบในตอนจบในตอนในหัวข้อมวลธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทหัวข้อนี้ท่านฟังเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่า ถ้าเราฉลาดมีความเข้าใจลึกซึ้งในหัวข้อนี้แล้วจะสามารถทำจิตใจนั้นให้หลุดพ้นได้แล้วยังเป็นเหตุปัจจัยให้พระศาสนาพระศิษยธรรมนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานตมวฟังเรื่องที่ว่าห้าพันปีสองสามพันปีอะไรเนี่ยโอ้ยกเลิกไปเลย นี่คือตลอดกันแล น, นั่นถ้าเรามาศึกษาทงความเข้าใจเข้าใจด้วยปัญญานะทุกฟังนะไม่ใช่แค่ว่าท่องจำเอาท่องจำเอาได้ไหมก็ได้อยู่มันก็เป็นสุตตมยปัญญาแต่สุตตมยปัญญามือดีเหมือนฟังดนตรีนะคุณจะเข้าใจลึกซึ้งถึงบทเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้น กำกรอนที่เขาแต่งขึ้นเนื้อร้องที่เขาร้องขึ้นได้หรือไม่อย่างไรมันต้องไม่ใช่แค่เพียงการฟังเฉยเฉไม่ใช่กค่ว่าต้องไดเฉยเฉยบางคนถึงขนาดเลยเถิดไปว่าแต่ฉันท่องบทปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังทั้งบาลีและไทยเอาละนี่แหละคือสุดยอดแล้ว แม่ก็สุดยอดอยู่แต่ยังไม่ที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเข้าใจด้วยท่องแล้วเข้าใจแล้วจะดีมากต้มบุฟังจิตใจเราเนี่ยจะไม่งมงายจะไม่สุดตรงไปถึงขั้นที่ให้เกิดความงมงายลุ่มหลงจะไม่สุดตรงไปถึงขั้นที่ว่าอะไรก็ไม่มีเหตุไม่มีผลทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ไม่ได้ ก่ปฏิสเสธไปหมดทุกอย่างแต่จะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเหตุและผลการใกล้กรวนโดยเหตุและผลนี่แหละเติมฟังมันจึงเป็นลักษณะที่มันจะไม่ผิดนะมันจะไม่ผิดคือถ้าเหตุหรือผลมันผิดนะจินบาต่าเราคิดว่าผลนี่มันจะเกิดอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเหตุมาอย่างนี้ แต่เหตุที่มันเกิดหรือผลที่มันได้มันผิดจากหลักความเป็นจริงแต่ความคิดด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยมันไม่มีทางผิดนี่ท่านพูดอรไรบุตทีพูดแล้วก็งงนะใช่ปะเอาใหม่ๆใหม่านบใกล้ขุนหลวงด้วย้ดีท่านเ ร, รียว้ายเหมือนกับคนตามบอดแต่กำเนิดเรื่องราวนี้เคยมีมาแล้วในสมัยก่อน พระราชาสั่งให้เอาคนตาบอดแต่กำเนิดมารวมกันในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ให้คนตาบอดแต่กำเนิดนั้นไปดูช้างมันจะไปดูได้ยังไงกับคนตาบอดใช่ปะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้จับจับยังไงอะจับช้างอา้าวคนหนึ่งจับงาช้างบอกนี่ละช้างไปอีกคนหนึ่งมาอีกคนนี้จับเนี่ยจับหางช้างแล้วกันนะ จับหางช้างบอกนี่แหละช้างเราก็ไปแต่บอดอีคนนึงมาจับขาช้างบอกว่านี่ช้างอีกคนหนึ่งจับท้องช้างคนหนึ่งจับหลังช้างคนนึงจับงวงช้างแต่ละคนละคนไม่เคยเห็นช้างจะดูยังไงก็มันตาบอดเนี่มองไม่เห็นไม่เคยเห็นช้างทั้งตัวก็จับได้เฉพาะส่วนที่ความใหญ่ของมือจับไปแล้ว พระราชาก็เลยเรียกคนั้งหมดน่ะมาถามว่าอ่ะนี่ดูช้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงคนนึงบอกช้างเหมือนพ่อมต้องทำไมอโอ้บอกมันโคง้งๆลงไปตร ง, งนี้ก็จับที่ท้องท่นวางก็จับที่ต้องคนนึงบอกช้างเหมือนผานผานนี่คืออุปกรณ์ที่ชาวนาเขาไว้ใช้ทนานาเขาอกไปใส่ไว้กับ ควายมันเดินไปตรงจุดที่คันไถจะโดนกระดินนี่ผา น, นี่แหละจะเป็นตัวที่แหวกดินไปเขาบอกว่าโอ้ช้างเหมือนผานเพราะว่ามันแหลมแหลมหแหลมแหลมยังไงโอ้เขาไปจับที่งาช้างอีกคนนึงบอกช้างเหมือนไม้กวาดอ๋อไอคนนี้ไปจับที่หางช้างมันเป็นแท่งๆลงมาแล้วก็เป็นพู่ๆตรงปลายเนี่ยเหมือนไม้กวาดเลย อีกคนหนึ่งบอกที่ไหนนี่ฉันไปดูมาแล้วตามบอหน้าแต่บอกว่าไปดูมาแล้วนี่ช้างตางหากเหมือนงูเหมือนเป็นเหย่ยาวมานุ่มๆไปฮึโหเขาจับในงวงช้างอีกคนหนึ่งไปจับที่หูช้างบอกช้างเหมือนกระด้งคนที่จับที่หัวช้างบอกช้างเหมือนหม้อคนที่จับที่ขาช้างบอกช้างเหมือนเสาคนที่จับที่หลังช้างบอก เหมือนโครกกระเดื่องอกก็เพระว่าไม่ได้เห็นทั้งตัวไงตูฟังเห็นแค่บางส่วนโดยการกลัมเอาโดยการจับเอาเพราะคนตาบอดทั้งหมดชี้แจงแล้วว่าช้างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่คุณหนุ่มบอกไม่ใช่ช้างต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยทะลากันตูฟังฟาดกันด้วยกาปั้นฟาดกันด้วยอาวุธไม่มีกลม คือก่อนดินบ้างแล้วก็ด่ากันบ้างเทียงกันบ้างพระราชาเนี่เห็นแล้วก็คือสงสารก็สงสารอยู่นะแต่มันก็อดคําไม่ได้พระราชานี่นะหลักการตรงนี้มันเป็นหลักการเดียวกันนะดูวางว่าข้อปฏิบัติที่มันจะไม่ผิดหมายถึงการที่เราคิดไตรตรองใกร้คุนด้วยเห็นและผลเนี่ต่อให้เหตุผล ก็อาจจะเข้าใจผิดในบางเรื่องบางประเด็นหรือแต่เราเข้าใจผิดในบางเรื่องบางประเด็นเช่นคุณไม่เข้าใจหลักคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจหลักของการทําบัญชีบางทีการทําบัญชีก็ผิดพอทําบัญชีผิดเล่าไปเลยแต่สิ้นใจพลาดว่า จ, จะทําหรือไม่ทําคิดยังไงโอเคไม่มีปะนะัญหาแต่ประเด็นมันคือนี้ต้องมาฟังว่าแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำลงไปมันไม่ได้ผิดหลักศีลธรรมนี่ มืนประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างไม่หนีจากนี้เนี่ยเหตุผลผิดก็ผิดสิแต่ยังไงมันไม่มีทางผิดน่ะยังไงนะก็เหมือนพวกคนตาบอดนี่แหละเขาจับท้องช้างจับหูช้างจับหางช้างละบอกช้างเป็นอย่างนี้อย่างงี้แต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ทะเลาะกันนะไม่เถียงกันคอเป็นเอ็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรือ ต, ต้องเป็นอย่างนี้ เราก็ร่วมกันดิเอ๊ะคุณบอกว่าไม่กวาดเหรอเอ๊ะคุณบอกว่ากระด้งเหรอเอ๊ะคุณบอกว่าหม้อเหรอแต่ไม่ด่ากันนะไม่ทะเลาะกันใช่ไ่มไม่ถือเอาความเห็นของตนมาเป็นใหญ่นะไม่ได้คิดว่าคุณเดื่ดจะต้องผิดฉันจะต้องโูกฉันจะต้องได้คุณหรือจะต้องเสียถ้าไม่คิดอย่างนั้นนะจำบุฟังตาบอดก็ไม่เป็นไรนะตาบอดก็ตาบอดดิก็ไม่เห็นนะ่ะ ก็คมเอาก็ได้เฉพาะบางส่วนมันไม่มีทางผิดเลยต่อมาฟังจะบอกว่าผิดที่เกิดมาตาบอดเหรออา้าวก็คนเกิดมาตาบอดมันจะผิดยังไงฉันไม่ได้เลือกเอาต่อให้เลือกว่าเออฉันตาบอดนะเกิดมาได้เลือกอยู่เนี่ยแต่ถ้าไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่ใส่ร้ายใครไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ผิดสี 5, ห่ห้าแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิ มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างอะ่ะคนที่บอกว่าไม้กว่าก็ไม้กว่าดนี่เขาก็คงจะพูดถูกอยู่เพราะว่าเขารักษาศีลแต่คนที่บอกว่าเหมือนสาวเขาก็จะปิดได้ไงเขารักษาศีลเขาไม่พูดโกหกเขาเข้าใจอย่างงี้เขาก็บูดไปอย่างนี้เออมันก็จะเป็นไม่ได้เหมือน น, นะแต่ออมันจะสามารถที่จะมีทางออกอื่นะเช่นเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเออมีความเข้าใจ แบบใดแบบหนึ่งปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ปกปิดเนี่ยจะได้รับการเปิดเผยสิ่งที่ลึกเนี่ยมันจะเข้าใจได้ตื้นเขินขึ้นสิ่งที่ยังมืดยังไม่เข้าใจยังไม่ท่องแท้ก็จะสว่างขึ้นปรากฏแจ่มชัดขึ้นเพราะอะไรเพราะรู้จักอัตถารู้จักอนัตถารู้จักธรรมะรู้จักอธรรมะไงตรงนี้ต่างหาก ที่จะทำให้ไม่บอดตรงนี้ถ้าหากที่จะเป็นหลักการที่ไม่มีทางผิดที่จะเป็นจุดที่ทำให้คนที่เข้าใจแล้วลึกซึ้งแล้วไม่ได้จะคิดว่าฉันนี่จะต้องถูกอย่างเดียวแล้วเธอก็จะต้องผิดเขาไม่คิดเลยเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระอัตาลัา น, านี่เขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล อะไรไม่ใช่เหตุอะไรไม่ใช่ผลเราคนตาดีท่านผฟังคำว่าคนตาดีข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่ามีดวงตาสองดวงแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้เท่านั้นนะฟังนะไม่ใช่ทางร่างกายแต่ดวงตาคือปัญญาคนตาดีบางคนนะ้าไม่มีปัญญามันก็เหมือนคนตาบอดเดินคาไปคา ม, มาชนนั่นตมนี่ ตื่นอยู่เดินไปอยู่แต่เหมือนละเมอถูกชักนำไปด้วยกระแสของตันหาในทางตรงกันข้ามคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นแสงไม่เคยเห็นสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มไม่รู้ไม่เห็นเพระาะว่าตาบอดเนี่ยแต่ก็มีดวงตานะถ้ามีปัญญา ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมมีหูได้ยินเสียงเข้าใจเกิดปัญญานั่นคือดวงตาตาัมบวังมีดวงตาเข้าใจว่าอ๋ออัทธะคือประโยชน์คือตรงนี้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่เอาอยู่ตรงนั้นนี่คือเหตุและผลต่อให้มีความเข้าใจผิดนบระเหตุ หรือผลหรือข้อที่จริงมันผิดพลาดมาแต่การคิดตามหลักเหตุผลเออไอ ห, หลักการคิดแบบนี้มันไม่มีทางผิดเนี่ยพอเหตุอื่นผล อ, นอื่นปรากฏมันเปลี่ยนแปลงได้เลยไงทุกฝังมันพลิกได้เปลี่ยนแปลงได้หมายความว่าคุณนั้มันก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ฉลาดแล้วก็เยี่ยมแล้วก็เก่งมาตั้งแต่ เกิดแล้วก็ครั้งแรกก็จะเพอร์เฟกเลยโอ้ยดูพระพุทธเจ้าดิกว่าจะมาเพอร์เฟเนี่ยมันก็ไม่เพอร์เฟกมันก็ไม่สมบูรณ์ก็แบบผิดๆพลาดๆห ล, ลงๆตำๆสูงๆเหมือนกันนะเหมือนกันก็ต้องพลาดมาก่อนถึงแก้ไขคุณอ้อเปลี่ยนแปลงได้นนะทุกวั่ง เปลี่ยนแปลงจากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้นะเออต้องระวังอยคิดว่าไอเราอาจจะดีไปตลอดโน no. คุณไม่อาจจะดีไปตลอดหรอกถ้าเผื่อว่าไม่ได้สร้างเหตุแห่งความที่มันจะดีได้อยู่อย่างต่อเนื่องไอแล้วคนนี้ก็ไม่ดีเมื่อก่อนนั่นแล้วก็จะไม่ดีต่อไปด้วยโอ้มันก็ไม่แนะ่ถ้าเราคิดว่า คนก่อนเราไม่ดีเราเปลี่ยนแปลงเป็นดีได้เอาแล้วคนอื่นเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นดีไม่ได้หร อ, อย่าทําตัวเป็นแบบคนตาบอดกล่าช้างที่เป็นแบบตาบอดกลําช้างนั้นเพราะไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคนจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าได้ฟังโอ้นี่ฉันได้ฟังพระมหาภัยบุญเทศเรื่องนี้เป็นซีรีส์สิบตอน โอเคบรรลุแล้วเข้าใจแล้วแจมแจ้งแล้วมันอาจจะไม่รู้สิเธอเผื่อว่ายังไม่เกิดภาวนามยปัญญาแต่ยังจะคิดว่าฉันผูกอยู่แล้วคนอื่นก็ต้องผิดคนไม่รู้เรื่องนี้นี่โอ้พูดไม่ถูกคำกล้ำไม่ได้บาลีก็ไม่รู้ก็จะไม่เก่งเท่าฉันมันมันไม่ใช่แล้วไงเธอเผืว่า ศาสนานี้คำสอนเนี่ยไม่ใช่จะรู้เข้าใจได้เป็นเพียงการใช้หลักเหตุผลด้วยซ้ำนะตมฟังไม่ใช่เป็นเพียงการคิดตามเหตุผลหรือตรร ก, กะแล้วมันก็จะบรรลุทาได้นะใช่อยู่เหตุผลมีศรัทธาก็ต้องมีการลรงมือทำความเพียรก็ต้อง ม, ตองมีต้องหลายอย่างประกอบกันจึงจะเกิดภาวนาะไยปัญญา ภาวนาม่ยากปัญญาปัญญาที่กระจกันภาวนาเพราะฉะนั้นคาว่าตาบอดกล่ำช้างเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเอาคนตาบอดเฉยๆนะแต่หมายถึงคนที่จิตใจเนี่ยมันสว่างไม่มีดวงตาไหมที่จะเข้าใจเหตุผลประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ที่เหตุผล บางทีถ้าเหตุผิดผลผิดเรามีหลักการของเหตุและผลกันใกล้ครุนแบบนี้มันจะไม่ผิดไม่ใช่ไหมผิดนี่คือไม่แก้นะแก้ไงมันจึงไม่ผิดแก้จากที่ผิดให้มันถูกอะ่ะด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปลงไปคุณแก้ไขที่หนึ่งมันก็ละเอียดลงไปครั้งหนึง่งผมว่หเราเข้าใจคั้นข้นจุด น, นี้แก่ปุ๊บตามหลักเหตุผลข้อ น, นี้ลงล็อกกันนี้ปึง้ง มันก็เลยอย่าเราไปขั้นตอนหนึง่งขั้นตอนหนึง่งการทะลาะการบาดหมางการวิวาทการทิ่มแทงกันด้วยหอกปากความที่ว่าจะมดาด่ากันด้วยคําหยาบคายยุโยงให้แต่กันนั้นจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะคลี่คลายลงสามารถที่จะมีความเรียนลึกซึ้งแก้ไขปรับปรุงตัวเองด้วยหลักของปฏิจจสมุปาณิชย์ได้ ให้เข้าใจว่ามันเป็นคู่ที่แต่ละคู่นั้นเกิดในช่องทางใจของเราจิตเป็นผู้ที่เข้าไปสวยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นสวยอารมณ์แล้ววิธีการบอกสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียนกันมาอย่างนี้จึงทำให้มันดูเหมือนเป็นสายแต่มันเป็นคู่ที่พอพูดต่อๆกันแล้วมันจึงดูเป็นสาย จะเกิดคู่ไหนก็ได้เกิดแล้วดับไปตามชั่วแต่ขณะที่เราวิเคราะห์พระจิตใจของมนุษย์นี่มันซับซ้อนมันยุ่งมันดิลงตรงนั้นมันยุ่งอยู่ข้างในเบิ่มๆบิ่มเอยู่เนี่ถ้าเราไม่รู้จักคลี่คลายออกจับออกทีละชิ้นทีละคู่จับออกทีละสองทีละหนึ่งมันจะยุ่งเหยิงเราแยกแยะออกด้วย ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งจิตเรานี่จะมีความแจ่มใสจะมีความเด่นดวงจะมีความปรากฏแจ่มชัดนั่นคือหมายถึงมีดวงตาแล้วนีที่ว่าตอนนี้เป็นตอนจบของสี่เรื่ปฏิจจสมุปบาทนั้นเพราะว่าในหลักการการันวิเคราะห์ทำความเข้าใจไม่ใช่แค่ด้วยเรื่องเหตุผล เป็นลำดับลำดับอะไรไปอย่างนี้มันจบแล้วคือมันก็มีเรื่องอื่นๆที่จะเป็นลักษณะต่อเนื่องกันเชื่อมกันอยู่อีกหลา ย, ลายจุดซึ่งพระเจ้าก็จะนำมาเสริมเพิ่มให้ในเอพิโซดนี้ซึ่งถ้าจะเอามาทั้งหมดเนี่ยเรฟังโอ้ยได้เลย20ตอนเนี่ยเพราะว่าหลักของพระพุทธเจ้าในคำสอนเนี้ยมันเป็นหลักเหตุผล ไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพียงแต่ความเชื่อความเลื่อมใสเท่านั้นแต่ต้องประกอบด้วยเหตุและผลด้วยซึ่งทั้งหมดคำสอนของพระพุทธชามันเป็นเหตุผลมีผลและมีเหตุอยู่แล้วทีนี้ก็จึงจะยกมาเป็นบางส่วนที่มันจะค่อนข้างแบบชัดเจนจุดนี้ข้าพเจ้าก็นามาจากหนังสือปฏิจจสมุปาจากพระโอสถที ประพันธ์โดยทนหลวงพ่อพุทธทาสได้รวบรวมมาจากในพระตรายพิดกในหัวข้ออธิว่าปฏิจจสมุปบาทนานาแบบคือหลายหลายแบบที่ไม่ใช่ที่อธิบายมาในตลอด9้าตอนที่ผ่านมาที่ใช้หัวข้อว่าปฏิจจสมุปบาทได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธชาบอกอันนี้มันคือปฏิจจสมุปบาทเหมือนเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนใน 12อาการ11คู่เหล่านั้นแต่ว่าดูหลักการแล้วมันมันก็ใช่อยู่นะในความที่ว่ามันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลกันไงจึงเริ่มเอพิโซดนี้ด้วยเรื่องของตามบอดกล่อมจางให้เดมาฟังเข้าใจแล้วว่าหลักการที่มันจะไม่ผิดมันมีอยู่เราอาศัยหลักการนี้แล้ว เหตุผลเราอาจจะได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนเราใช้หลักการนี้ปรับเปลี่ยนเอาปรับเปลี่ยนเอาจึตเราก็ละเอียดลงละเอียดลงนั่นแหละมันจึงจะเกิดเภาวนาไม้ปัญญาเราจะเริ่มด้วยเรื่องของการที่ถ้ามนุษย์ก่อสงครามกันรบราฆ่าฟันกันหรือง่ายๆก็ว่าทะเลาะกันในครัวเรือน พี่ทะเลาะกับ น, น้องพ่อทะเลาะกับแม่มีปัญหาในที่ทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้านี่ถ้ามีคำด่าคำว่าเกิดโทสะขึ้นแล้วอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยเออนี่ท่านบอกไว้ว่าเรื่องราวนี่มันเยอะนะเช่นการใช้คำทิมแทงกําหยาบเสียดสีกัน หรือถึงขนาดว่าใช้อาวุธไม่มีคมเช่นคำปั้นกระบองหรือท่อนไม้ตีลงไปหรือใช้อาวุธมีคมนะมีดโห้อันตรายกว่าอีกหรือปืนเลยเอายิงจากที่ไกลก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันมาจากอะไรมาจากเหตุคือการห่วงกัน มีใจิตใจที่นี่ต้องของฉันมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องอาหารเรื่องการจราจรเรื่องการทํางานจนถึงอุดมการณ์ทางการเมืองนั่นก็ด้วยว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้คือใจิตใจที่มีการห่วงกันทำไมถึงมีการห่วงกันท่านบอกเพราะมีความตระณีมีความตระหนี ตรรนีนี่ไม่ได้ใช่ว่าจะใช้กับทรัพย์ได้อย่างเดียวนะทุกฟังแต่มันใช้กับสิ่งอะไรก็ได้คุณจะตรรนีความรู้ก็ได้ตรรนีธรรมะก็ยังได้เลยนะตรรนีนี่คือความที่ไม่อยากจะเสียอะไรไปต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้อะรที่มีความตรรนีนี่เพราะอะไรเพราะมีความจับอกจับใจคือคว้าจะเอามาเป็นของตนทาไมถึงจะมีความจัอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมา นีน่ตกเป็นทาตุล้ตกเป็นทาตของไอเดียนั้นความคิดนั้นสิ่งนั้นเสียงนั้นรูปนั้นคุณตกเป็นทาตแล้วของธรรมารมณ์นั้นก็ด้วยสยบมัวเมาทําไมทำไม่สยบมัวเมาเพราะมีความกําหนัดด้วยความพอใจก็พอใจในมันไงความเปลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนี่นคืออุปทานเลยยึดถือแล้ว ทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจท่านบอกว่าเพราะมีความปรองใจรักทำไมถึงมีความปรงใจรักเพราะมันมีการได้มาไงทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาไงาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาคือความทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอา่าทำไมถึงมีความทยานอยากคือตัณหา ่านบูฟังนังตอบครับพเจ้าดูพระอะไรมีตันหาจึงมีพระอะไรเกิดตันหาจึงเกิดดับด้วยนะพระอะไรไม่มีตันหาจึงจะไม่มีพระอะไรดับตันหามันจึงจะดับหาตรงนี้มาฟังกันมาตั้งก้าตอนแล้วเนี่ยวันนี้มันต้องตอบได้แล้วนะหรือถ้าเพิ่งจะมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกไม่ป็นไดเฉลยให้ เรก็กลัไปฟังตอนเด่มๆก่อนๆด้วยเพื่อดูว่าความรู้ของเราจะได้กว้างๆท่านบอกว่าพระมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาคือความทะยานอยากมีความทะยานอยากคือตัณหาแล้วมันก็ไปสมัยหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้นี่ก็คือการมาตัณหาอยากได้ ของนั่นกระเป๋าใบนั่นรองเท้ากู้นั่นสิ่งของนั่นอยากได้ความสวยแบบนี้ก็ต้องไปซื้อครีมนั้นมากว่าทําไมคุณถึงอยากได้นะก็มันมีความรู้สึกเนี่ยว่ามันจะต้องเออต้องหล่ออย่างนี้ตสวยอย่างนี้ความรู้สึกสุขเนะี่ยต่ออะไรก็ตามเพราะมีเวทนานจึงมีตถาครับ เ, เราที่มีเวทนาเพราะอะไรนะมีภาษาไงจา ไ, ได้ไหมโอ้จาได้จำไ ด, ำได้มีภาษา มีภาษาก็เห็นนั่นได้ยินนะนีะ่บางคนมีการศึกษาไปเรียนความรู้จากต่างประเทศแล้วเห็นไอเดียนั้นนี่เอเอเฮ้ยนี้มันดีมากลนะอันนี้คือสุขใช่ไหมก็เล ย, ยน่าจะทํำกับที่นี่เราบ้า ง, น, งนี่อันนี้คือความอยากมีอยากเป็นแล้วไงความอยากมีอยากเป็ น, นคือภาวะตัณหาแล้วก็อยากที่จะไม่มีไม่เป็นก็ด้วยเหมือนกันนะเขาไม่มีอย่างนี้เลยเนี่ยไม่มีอะไรสกปรลกลบลุงลัง ล้วเธอโอ้ยเราก็ไม่อยากมีองั้นบ้างอันนั้นคือวิภาวะตัณหาอยากได้นั่นคือกรรมตัณหาอยากมีอยากเป็นนั่นคือภาวะตัณหาอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนั่นคือวิภาวะตัณหาตัวอย่างที่อาจารย์ชัดเจนเช่นว่าเราไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนแก่ก็คืออยากที่จะไม่แก่นั่นเอง ใ่ไก็เป็นตัณหาเหมือนกันเป็นลักษณะของวิภาวาตัณหาในอธิบายละเอียดไปแล้วในหัวข้อเรื่องของตัณหาในปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการแต่ละากาันแต่นี้พอมีตัณหาแล้วมันก็จึงมีการแสวงหาไงที่ถ้าคุณยังไม่มีเนี่ยเขเห็นเขาอยากมีเขามีแบบนั้นมันก็อยากมีบ้างนะเออโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดแหม ม, มันทำฟีเจอร์นี้ได้แหมก็เลยพอใจอยากได้ก็เลย ไปแสวงหาสวงหามีการแสวงหาแล้วก็จึงมีการได้ได้ในทีน่นี้อาจจะได้ไม่ไปร้อยเปอร์เซก็ได้นะได้บางส่วนไม่ได้บางส่วนก็ถือว่าได้นะปรองจรักรักในส่วนที่ตัวเองยังไม่ได้ก็ได้รักในส่วนที่ตัวเองได้มาแล้วก็ด้วยมีการปรองจรักนี่ก็ตกเป็นธาตุละตกเป็นธาตุของสิ่งนั้นแหละตกเป็นธาตุโดยไม่รู้ตัวนะทุกังการปรงใจรักนี่ เป็นทาตโดยไม่รู้ตัวตรงนี้แหละที่กัมพูชาบอกว่าอย่ารักใครมากเกินไปอย่ากเกลียดใครมากเกินไปคําว่ามากเกินไปเนี่ยถ้ามันเลยไปถึงความเป็นปรงใจรักนี่เกิดเลือเกิ น, กนคือคุณตกเป็นธาตของสิ่งนี้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณปรงใจรักตกเป็นธาตแล้วความกําหนัดด้วยความพอใจจะเกิดขึ้น ความกำหนัดความเพลินยึดถือแล้วยึดถือแล้วหนึ่งคืออุ ป, ปาทานมีความกำหนัดมีความเพลินยึดถือแล้วสยบโวเมาเลยแทบเท้าสิ่งนี้เลยแต่มพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามารเนี่ยเป็นครองโลกทั้งหมดกุมหัวใจของสัตว์โลกเอาไว้ตกเป็นทาตทาตเลยนะของมาร มันสยบมัวเมาแล้วไงไม่กล้างงหัวเลยคนที่ตกเป็นทาสไม่กล้าง ง, งหัวเลยเพราะมีความสยบมัวเมาคือเมาแล้วเมาแล้วนี่ทําได้ทุกอย่างด่าคนก็ได้แล้วก็ทําชั่วก็ได้ไม่ต้องลายเราคือเมาแล้วไงอันนี้เท่านั้นต้องดีแต่ว่าไม่ได้กินเหล้านะแต่เมาแล้วไงเพราะความเลื่อเพราะความยึดถือ เมาแล้วก็จึงมีความจับอกจับใจเตู้ฟังที่จะเคยดูหนังฮอลลีวูดเรื่องของ Lord of the r i n g ชื่อภาษาไทยก็บอกว่ า, าพี่นิหารแหวนกรองพี่พบเออเขาก็แต่งกรรมนี้ขึ้นมานะโอเคมันมีตัวหนึ่งที่รู้ว่าตัวกอลลัมตัวกอลลัมหนึ่งเป็นตัวที่ถือแหวนได้แล้วมันก็ Oh, จับอกจับใจได้มาแล้วนี่มีความมัวเมายินดีในแหวนเนี่ยมากเบอกแหวนของฉันแหวนของฉันนั่นแล้วสยบมัวเมาจะบอกจับใจละไม่ทําอะไรเลยนะวันวันนี้อยู่แต่กับสิ่งนี้นี่ก็สุดโต่งใบข้างหนึ่งจึงมีความตระหณีมีความตระหนีแล้วจึงมีความห่วงกัน มีความห่วงกันแล้วจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันทั้งหลายแหลตา ม, มาหมดเป็นกะบิเป็นยวงด่ากันบ้างอาวุธไม่มีคมบ้างอาวุธมีคมบ้างสงครามเล็กๆแค่ว่าในที่ทำงานหรือที่บ้านนี่นะมันขยายขึ้นมาจนถึงเป็นสงครามกลางเมือง ระหว่างสอง่ั้วพักการเมืองบ้างสงครามในประเทศระหว่างสองดินแดนในประเทศเดียวกันบ้างสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นบัดนี้ก็รสัสเซียยูเครนหรือบางจุดบางที่ในแอฟริกาขยายขึ้นมาต่อเป็นจนถึงหลายหลายประเทศรวมกันเป็นบันเมิรกัน ทาร้ายกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นศัตรูกันสงครามโลกนี่แล้วถ้าแปว่าเรามีดวงดาวอื่นต่อไปเป็นสงครามกาแล็กซี่มันก็จะเป็นไปตามลำดับนี้นะทําฟังเรื่องราวที่เกิดจาน้นารห่วงกันคำตามในที่นี้คือโอ้ทหานอาจารยจะระงับยั ง, งไงท่านก็ทวนสายกลับกันนี่แหละหลักการของปริชาสมุบาติว่าอะไรมีอะไรจึงมีอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอะไร ไม่มีอะไรมันจึงจะไม่มีพราะอะไรดับอะไรมันจึงจะดับ อ, อ๋อถ้าจะไม่ให้มีสงครามให้เกิดความสงบสุขก็ต้องอย่าห่วงกันถ้าจะไม่ห่วงกันก็ต้องอยาดตรีนีจใช้ความตรีนีดับไปก็ต้องละความจับอกจับใจจะดับความจับอกจับใจก็ต้องหยุดความสงบมัวเมาจะหยุด ความสยบมัวเมาก็ต้องอย่าให้มีความกำนัดด้วยความพอใจจะไม่ให้มีความกำนัดด้วยความพอใจก็ต้องอย่าให้การปรงใจรักมันเกิดจะไม่โปรงใจรักได้ก็อย่าให้มันไปได้อย่าไปได้มาสิ่งสิ่งนั้นจะไม่ให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นก็ต้องอย่าไปแสวงหาจะไม่แสวงหาก็ต้องอย่ามีตัณหาจะไม่มีตัณหา ก็องไปดับที่เวทนาไงมันจึงไล่เรียงกัไปเหมือนเดิมจำฟังหลักการเดิมแต่ในอีกรูปแบบอื่นๆที่น่าสนใจที่ไม่ใช่สิ1เอ็ดอาการหลักนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่อ ง, งที่เพิ่มเติมเป็นสายหนึ่งที่แยกกันออกมานอกจากที่ว่ามีปิตาณแจึงมีตัณหามีตัณหาแล้วจึงมีอุปาทามีอุปาทาจึงมีพบนี่อันนี้แยกออกมาอีกสายหนึ่งเป็นเรื่องของ การตะเลาะวิวาทกันการแข่งแย่งชิงทีกันเริ่มออกมาข้างนอกแล้วจึงมีการแสวงหาแต่ภายในจิตเนี่ยมันจะมีสภาวะมีความยึดถือก็อธิบายด้วยเรื่องที่เคยบอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้ก็อธิบายอีกแบบหนึ่งถามว่าความตรรนีการจับอกจับใจความกํำลัดด้วยความพอใจเหล่านี้เกิดที่ไหนก็ต้องเกิดที่ในใจเรามาจากเหตุภายนอกก็ได้ คือการที่ได้มาซึ่งสิ่งนั้นหรือแม้แต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ออกสมัยหาเลยด้วยนะความยึดถือมันก็มีได้ยึดถือในสิ่งที่เรายังไม่ได้มาไงหนุอมฝั่งฉันชื่อเสียงตำแหน่งตอนนี้กูยังไม่มีอะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกแต่เรายังไม่มีเงินซื้อน่ะแต่อยากได้นะ่ะความยึดถือมันเกิดแล้วทันทีเลยอยู่ในใจในสิ่งที่กูยังไม่มีนั่นด้วยซ้ำ นอกจาเรื่องของลักษณะการรบราฆ่าฟันการทลอะวิบาสแบบนี้ทั้งความเกิดและความดับแล้วที่มีเรื่องลักษณะของมนุษย์ด้วยหนุมฟังเรื่องอาหารการรับประทานเรื่องของอายุไขของมนุษย์ว่าอายุไขมนุษย์ทุกวันนี้ประมาณร้อยปีเออมื่อก่อนมันมากกว่านี้อยู่นะแล้วต่อไปนี่ก็จะลดลงด้วยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็เพิ่มขึ้นได้ เรื่องราวนี้ก็มาในทั้งสังยุตธานิกายทางมัชฉุมนิกายในอากญรยสูตรท่านได้รบโรวมไว้ตรงนี้บอกว่าที่มนุษย์มีอายุสั้นมีผิวพรรณซามมีทุพพลาภาพมีโรคภัยไข้เจ็บมากเช่นมะเร็งทุกวันนี้เหมือนเหมือนจับสลากเอาไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรเลยก็เป็นได้เป็นนั่นก็ไม่รู้พราะอะไรเหมือนกัน หาสาเหตุไม่ได้ที่หาสาเหตุได้ก็มีส่วนที่ไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้ก็เยอะให้เป็นเพราะอะไรอธิบายถึงความที่อาหารเนี่ยมันไม่ดีมันไม่สม่าเสมอในความที่เป็นธัญญพืชที่เหมาะแก่ร่างกายของมนุษย์ถูกปรับเปลี่ยนไปนั่นเพราะอะไรเริ่มมาตั้งแต่ว่าถ้าคนในชั้นปกครองไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนะ เพราะกระแสของราคาโทสะหรือโมหะก็ตามเพรอคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองรไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นน่ะนะที่ก่อนที่เราจะอยู่ในสมัยเนี้ยคนในสมัยโน้นที่ว่าทุกวันนี้เรามีอายุหนึ่งปีเนี่ยเมื่อก่อน8ปดหมื่นนู่นน่ะไอที่ว่าเป็น8ปดหมื่เนี่ยแล้วมันลดมาจนถึงมีอายุไขเหลือร้อปีได้ไงเพราะว่าคนชนชั้นปกครองรในสมัยนั้นคือพวกพระราชาพวก ระบมองสารวงที่ว่าเป็นไปตามอำนาจของราคะมากไปหน่อยหนุนตระีนิดหน่อยห่วงกันนิดหน่อยไม่อยากให้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็เลยทําให้พวกข้าราชบริบาลก็เลยไม่ตั้งอยู่ในธรรมไปด้วยเพราะพวกข้าราชบริการไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมพระและขรรเบดีทั้งหลายคือคนที่ร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงมีตําแหน่งเขก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรม พอพวกพระรามและขราบดีทั้งหลายเอกชนต่างๆนี่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลา ย, ย, าาลา ก, ลยก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมพอชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ได้ดตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีวงรอบคือมีปริวัติไม่สม่ำเสมอพอดวงจันทร์ดวงทิตมีวงรอบไม่สม่ำเสมอดาวเคราะห์ต่างๆดาวนักษาตร์ดาวฤกษ์นั้นก็ここจะมี วงรอบที่ไม่สม่ำเสมอตามไปด้วยพอพวกดาวต่างๆมีวงรอบไม่สม่ำเสมอคืนและ ว, วันมันก็แปรเปลี่ยนไม่สม่ำเสมอตามปไปพอคืนและวันหมายถึงความยาวของกลางคืนกลางวันมันไม่สม่ำเสมอแล้วเดือนและกึ่งเดือนก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอพอเดือนและกึ่งเดือนมีวงรอบไม่สม่ำเสมอ ฤดูและปีก็มีวงรอบไม่สม่ำเสมอพอฤดูและปีมีวงรอบไม่สม่ำเสมอลมทุกชนิ้ก็จะปั่นป่วนไปจะหมุนแบบไม่สม่ำเสมอปั่นป่วนไปหมุนไม่สม่ำเสม ier, รอระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องก็แปลปรวนพอระบบแห่งทิศทางลมที่ถูกต้องแปรปรนไปเทวดาทั้งหลายก็ระสำมระสาย เทวดาระสำระสายฝนก็จึงตกลงอย่างไม่สม่ำเสมอฝนที่ตกลงอย่างไม่สม่ำเสมอก็ทําให้พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายแก่และสุขอย่างไม่สม่ำเสมอมนุษย์บริโภค พ, พืชพันธุ์ข้าวนั้นเข้าไปก็จึงทําให้เป็นผู้มีอายุช้านมีผิวพรรณสามมีทุพพลภาพแล้วก็มีโรคไัยไข้เจ็บมาก อายุไขของมนุษย์นี่มันจึงสั้นลงน้อยลงลดลงหมายถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็มีอายุไขน้อยลงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไปางั้นก็เพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยดูห ว, วังไม่ใช่กิเลสของคนคนเดียวนยนะมันกิเลสของหลายๆคนเนี่รวมกันมันจึงเป็นกระแสะของตัณหาเนี่ยดูห ว, วัง มานที่บอกวคุมหมดทุกอย่างนี่นั่นคือกิเลสมารคุมหัวใจของคนหลายๆคนปุ๊บมันก็ตกเป็นทาทันทีแล้วความไม่ดีอากุศลธรรมที่เป็นเหตุให้เกี่ยวข้องกับทางสภาวะร่างกายอาหารการรับประทานอายุขลดลงลดลงเนี่ยมันลดต่ำลงจนไปถึงสมัยที่อายุมนุษย์สิบปีเลยนะท่านัง เรื่องราวนี้มาในอคัญยสูตรแล้วก็จักวัติสูตรทั้งสองพระสูตรต่อกันถ้าบูฟังสนใจจะฟังรายละเอียดจริงๆเล ย, เยไปติดตามฟังได้ในช่วงของคลังพระสูตรในตุวันพิหัสเสาร์ช้าดูได้ในระบบพอดแคสต์แล้วมาสรุปให้ฟังในที่นี้ก่อนว่าสมัยที่มนุษย์มีอายุ 80,000 นปีมีอยู่นั่นคือสมัยต้นกับ คือเมื่อโลกนี้เริ่มฟอร์มตัวขึ้นครั้งแรกหลังจากบิ๊กแบงเดี๋ยวนี้นักฟิสิกส์เนี่ยก็มีทฤษฎี ด, ด้วยนะว่ามันมีอะไรที่มันเกิดก่อนมาก่อนบิ๊กแบงด้วยนะเออเหตุผลใช่ไหมแต่ก็อที่จริงมันเปลี่ยนละเหตุผลลำดับความคิดก็เปลี่ยนตามนะเออลักษณะนี้คือไม่ใช่ว่าผิดนะแต่มันคือไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่า คุณรู้จักใช้เหตุผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาตามสถานการณ์นะแก้ไขปรับปรุงให้มันอยู่ในกระบวนการขององค์8อันประเสริฐอทีนี้สมัยที่มนุษย์มีอายุ8 0 0 0มืนปีต้นกับเนี่ยมนุษย์นี่ไม่ได้เกิดในครันแต่เป็นมนุษย์ต้นกับนี่คือจะพุดเกิดขึ้นเนาะพุดเกิดขึ้นมากินง่วนดินอะต่างๆที่ท่านว่าไว้ทีนี้ปรากฏ มีระบบของการปกครองขึ้นมาเพราะคนบางส่วนนี่ก็ไปทําพิธีกรรมคนบางส่ว น, นก็ช่วยดูแลจากพืชพันธุ์ต่างๆคนบางส่วนก็ทํางานก็เลยแบ่งเป็นบรรดาขึ้นมาใช่ไหมสมัยนั้นคนมีอายุ8ปดหมื่นปีแต่ว่าพอมีความตรรณีขึ้นนิดหน่อยไม่ได้คุ้มครองรักษาทรัพย์ให้เจริญงอกงามขึ้นโดยการให้โดยการแจกจ่าย แต่ว่าตรณนนีนิดหน่อยนะคุ้มครองเฉยเฉยไม่ได้จะให้ไปนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะจึงทำไห้มีการขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางพอ ม, มีการขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางการถือเอาทรัพย์อันชอ ข, ของไม่ได้ให้ก็จึงเกิดขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปนหนาพอมีการถือเอาัพอันชอ ข, ของไม่ได้ให้มากขึ้นมาขึ้นแล้วไล่กันไปตามลาดับเลยนะ ก็จะมีการใช้อาวุธทั้งมีคมไม่มีคมต่างๆเกิดขึ้นพอมีการใช้อาวุธแล้วตอนแรกยังไม่ได้ฆากันหรอกกูเฉยๆเดี๋ยวต่อยเลยนะเดี๋ยวลงมือเนี่ยยังไม่ได้ทำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้อาวุธแล้วก็เรียกว่าอาวุธห อ, อกคือปากใช้ปากทิ่มแทงกันนี่เป็นอาวุธแล้วทีนี้พอลงมือกันด้วยอาวุธมีคมอ้าวตายแล้วอนนี้ ตายจริแเลยมีปานาติบาทมีการฆ่ามนุษย์ด้วยกันพอมีการฆ่ากันแล้วก็ต้องปกปิดความผิดแล้วมุสาวาดเลยมีมุสาวาดแล้วก็มีการพูดยุบยงแต่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าคือนี่คือพูดก็เรียกว่าสอดเสียพวกนี้เห็นว่าใช่พวกนี้เห็นว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วคาพูดที่มันเกี่ยวข้องมันก็คือ ตงเป็นมาจาให้แตกกันละ่ะอายุมนุษย์เนี่ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆทุกฝังจากที่ 80,000 ืปีอายุไขก็ลดลงมาเหลือสี่หมืปีนั่นคือจุดที่เริ่มพูดโกหกละพอเริ่มมีการพูดยุยงให้แตกกันเป็นไปอย่างกว้างขวา ง, วางอายุรุ่นลูกรุ่นหลานก็ค่อยลดลงจากสี่หมื่นปีเหลือ39มห0ื่นเกจนมาถึงจุดที่มันมี การพูดแต่กันอย่างกว้างขวา ง, วางอ่ะเหลือสองหมืนปีนะอยู่มนย์ท่านผูฟังคิดดูถึงโลกนะโลกที่ทุกคนรักษาสีหนได้จริงๆเลยนะสัมมาวาจาด้วยนะพูดย่ยงให้แตกกันไม่มีพูดโกหกไม่มีการฆ่ากันไม่มีเลยนะทุกคนมีเงินใช้หมดจริงๆเลยนะมีความสุขตลอดจริงๆอ่ะ โอ้โหมันมีความสุขมากใช่ไหมล่ะทุกวันนี้เนี่ยโอ้มันมีคํากล่าวควําวาจาต่างๆมากมายแล้วอะแต่บอกว่าพอมีการพูดยุยงกันอายุมนุษย์ขยลดลงเหลือหมื่นปีพอเริ่มเข้าฝ่ายนี้แต่ฝ่ายนั้นการทําชู้การละเมิดของรักของบุคคลอื่นจะปรากฏขึ้นนั่นคือการประพฤติปิดจารีขึ้นมาล่ะกามีสุขไม่ฉาจยา์ มีการประพฤติปิจาริตแล้วมันก็จะมีการใช้คำหยาบคำด่าว่าคำเพ้อเจอ้ออะไรคือพูดเกี่ยวปาราศีเพื่อเกิดความสาราญมุกตลกอะไรต่างๆมันเกิดมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังหลังจากการประพฤติปิจาริตในกาลแล้วยุมนุษย์เนี่ยลดลงเหลือ5000ปี2000ปี1000ปี500ปีตามลำดับตามลาดับพอเริ่มมีการใช้ ว่าจะเพิเอ่อเจอคำหยาบอะไรแล้วมีการวางแผนกอบโกยการทำลายล้างมีความเห็นผิดชนิดที่เห็นผิดแบบดอกบัวเป็นกงจักหรือเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะ่ะนิยมความชั่วคือนิยมว่ามันต้องไม่ดีอย่างเงี้ยมันถึงจะดีอย่างเงี้ยผมไม่ใชท่ทิฏฐิผันเลยนะความโลภไม่มีที่สิ้นสุดการประพฤติตามอำนาจกินเลส กุศลธรรมทั้งหลายการที่จะไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงตามอายุมนุษย์เนี่ยลดลงเหลือ2องร้าสิปี200ปีเรา อ, อยู่แค่นี้ก่อนนะท่านผู้ฟังลองจินตนาการแค่ว่าร0 0ยสอปีเนี่ยมันมันมันไม่ไกลกันมากนะฮะอุ้ยมนุษย์อายุ200ปีเหรอเออโ อ, โอ้มันจะเป็นยังไงนะทุกวันเนี่ย ความที่ประพฤติอย่างไม่ถูกต้องในมานดาบีดาสมณพราหมณ์ไม่อ่อนน้อถมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำเนี่ยมันมีอย่างกว้างขวางนะตัววังลูกข้าพ่อแม่เนี่จะกินกาไหมเออสมณปฏิบัติตัวไม่สมกับความเป็นสมณสารูปเออจะกินข้าไหมเออพออกุศลแล้วทาพวกนี้มันกว้างขวา ง, ข, วา ง, ข, วางขึ้นไปกว้างขวา ง, ข, วางขึ้นไปเนี่ย มนุษย์จากที่อายุร้ายปีอายุไขก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจน ถ, ถึงสมัยที่มนุษย์จะมีอายุ10ปีตันบ่ามีอายุ10ปีแล้วหญิงหปีก็มีบุตรเริ่มมีลูกได้แล้วอายุห้าปีสิ่งไรดีๆต่างๆในสมัยที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะไม่มีในสมัยนั้นบัวไม่มีนมตั้วลงจินตนาการตามดูนะโลกที่บัวไม่มีนม แล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกจะขึ้นเนี่ก็เป็นแค่ยา ก, กับแก่ขออกขึ้นอยู่แต่ข้าวไม่มีแล้วอ้อยไม่ขึ้นแล้วพันธุ์พืชนี้หายไปมีอยู่เป็นกลายพันไปแล้วไม่มีหวานแล้วแห้งหมดพึ่งมลงพวกนี้ไม่มีน้ำพึ่งไม่ต้องหวังจะมาหาเมล็ดพันธุ์อะไรคั้นออกมาเป็นน้ามันไม่มี เข็มก็ไม่เค็มมีแต่ด่างกับก็ด้างจะมีอกุศนละธรรมอย่างมากเลยแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เรื่อว่าสัตตันตระกับคือการที่มนุษย์นั้นรบราฆ่าฟันกันตลอดเจวันมีความสำคัญกันด้วยว่าฉันต้องฆ่าเธอฉันต้องทำร้ายเธอเหมือนนปรานไปล่าเนื้อคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นอาศัยเวลาที่ยาวนานมากนะน้ฟา อายุขัของมนุษย์ที่ลดลงลดลงเพราเพราะว่าอากุศลธรรมเหล่านี้เขาจะบูดถึงด้วยนะว่าถ้าเป็นโทสะนะถ้าโทสามันนํามาแล้วก็โลกนี้เป็นพระโทสะเนี่ยจุดจบตรงนั้นเนี่ยมันจะจบด้วยไฟแต่เป็นราคะนะถ้าโลกนี้มีราคะนําก็เกิเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะถูกจบด้วยลมบ้างน้ําบ้าง ไฟบ้างสามอย่างจะตีจะหมุนกันโลกก็แตกไปแตกไปไห่ไ ป, ไ ป, ไไปก็เป็นกลับแบบหนึ่งเป็นวิบัตกับแล้วก็ถ้าก่อสร้างสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นกลับอีกแบบหนึ่งพงอยู่ก็เป็นกลับอีกแบบหนึ่งอย่างนี้มีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยทั้งระยะใกล้ๆที่เกิดดับเร็วมากอยู่ในจิตของเราทั้งว้างขวาง ห่างกันว่าอย่าว่าเป็นล้านปีเป็นกลับลใช้คำนี้ดีกว่าเป็นล้านๆของล้านๆของล้านคือ1นึคูณ10ยกกำลังร4อยส่นะ10ยกกำลังร้อยสิหมายถึงศนย์ตามไปอีกร4 0ี่ตัวนะนั่นแหละระยะเวลาความยาวนานของมันในแต่ละช่วงละช่วงที่ว่านี้ เรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยความไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องดีๆก็มีเหมือนกันนะทุกฝังแต่เคยตรัสถึงเรื่องของการทำจิตให้เป็นแบบส้ายใหม่โดยยกเรื่องของนางเวเทฮิกาซึ่งเธอได้ไปเป็นแม่เจ้าเรือนอยู่ในเรือนๆรือนหนึ่งพระบรมเชาก็อธิบายเล่าเรื่องราวของนางว่านางโกรธขึ้นยังไงอะไรงไง เาก็สรุปว่าโอเคเราต้องทำจิตให้เหมือนกับสไป้์ใหม่คือมีหิริโอตาปะคือความกลัวความละอายการที่เราจะตั้งความเกรงใจไว้ในบุคคลอื่นต่างๆตรงนี้ตัวหวังก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่ให้ถึงการหลุดพ้นได้เลยนะตนัวหวังหิริโอตาปะนะความกลัวความละอายตบะ ความละอายความกลัวต่อพ่อผัวแม่ผัวสามีจนถึงคนใช้ในเรือนคนที่แต่งงานไปอยู่เรือนคนอื่นถ้าทําจิตให้เหมือนสไปรใหม่บรรลุธรรมได้นะเธนบอกว่าจะมีเหวีริโอตปะได้นมันต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสติสัมปชัญญะจึงมีหิริโอตปะได้ความละอายและความกลัวต่อบาปเกรงใจกันเนี่ย พอมีความละอายความกลัวต่อบาปมันก็จะมีอินทรีย์สังวรคือการสำรวมอินทรีย์มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็จะมีศีลไปโดยปริยายมีศีลแล้วก็จะมีสมาธิคือสมารสมาธิเกิดขึ้นได้มีศีลบางนัยยะก็กล่าวถึงความที่ไม่ร้อนใจพอมีความไม่ร้อนใจก็มีปราโมทมีปราโมทก็มีปีติมีปีติก็มีปัสสธิ ความสงบประนับมีสุขมีสมาธิเกิดขึ้นกรือบางนัยยะก็จากศีลแล้วก็ตรงมาที่สมาธิเลยก็มีมีสมาธิจิตเป็นอรมั์เดียวก็จะเห็นตามความเป็นจริงคือยะาภูตะญาณทัศนะมีการเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีความหนายคือนิพิทามีความหน่ายแล้วก็จะมีความมุคลายกํำนัดคือวิอราคะ มีวิราคะคือความคลายกำหนัดแล้วก็จะมีวิมุตติหยา น, นทัศนะคือการเห็นตามความเป็นจริงในบิดมนั้นวางได้ปล่อยได้พระอาศัยฮิริโอตาปะไนตั้มฟั ง, งความกลัวความนายต่อบาปที่เป็นลนักษณะเกรงใจกันเห็นใจกันกลัวที่จะมีความไม่ดีเกิดขึ้น ละอายที่จะทำความชั่วสิ่งดีๆเขาเคยกิดได้นึ่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งตงมวฟังสองสามอย่างยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างว่าอาการความเป็นเหตุเป็นผลในคำสอนนี่มีมากถ้าจะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาทั้งหมดคือจริงๆแล้วทั้งหมดในรายการธรรมรับรุณทั้งเรื่องของสมการชีวิต จนถึงนิทานปนานนาแม้แต่ในใต้ร่มโพธิบทเนี่ยมันก็เป็นหลักเหตุผลมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าตัณหาธรรมฟังเป็นหลักเหตุหลักผลกันทั้งหมดเธอจะพูดกับู้คือคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระวินยัยต่างๆเหล่านั้นเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่เรายัางว่าได้เพราะมันอาศัยกันแล้กันแล้วจึงเกิดขึ้นมีเหตุมีผลไง มีเหตุมีผลเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลให้ลึกซึ้งลงไปลึกซึ้งลงไปอันนี้จะทำให้จิตใจกรณนั้นละเอียดมีภาวนาเมยปัญญาประกอบด้วยการพัฒนาและทำจิตให้รู้แช้งกิมาได้คำหวังในซีรีส์เรื่องของปฏิจจสมุปบาทวันนี้เป็นตอนที่10บถือว่าเป็นตอนจบ แต่จมูกฟังที่ฟังทางรายการวิทยุแล้วมีความคิดว่าเออฉันจานําธรรมานีิไปใช้ในการปฏิบัติให้มันได้แต่ยังประสบปัญหาในเรื่องการนําไปใช้นําไปทํานําไปปฏิบัติยังไม่ต่อเนื่องอะไรยังไงก็พระเจ้ า, ช, าชักชวนให้จมูกฟังมาทําปฏิบัติดูนั่งสมาธิสักเจวันอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทา้ายทําโดยจะเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้จะช่วยให้ การปฏิบัติของเรานั้นมีความต่อเนื่องเอาความขี้เกียจออกไปเอาความไม่สม่ำเสมอออกไปเอาการผลัดพันประกันพรุ่งออกไปเจ็วันนี้เรามาทำกันให้ได้ปฏิบัติาจตจาเราจะได้มีการพัฒนาเห็นตามความเป็นจริงมีความแจ่มใสเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยไปที่เว็บไซต์มีปัญญา .org m e p a n y a o r g มีปัญญามีปัญญา o r g แล้วอ่านดีนาเพจนั้นารายละเอียดของการทำการบริบติอย่างไรเข้าร่วมรับคำท้าก็จะเข้ามาสู่ระบบที่ให้มีการร่วมสนุกกันกรอกข้อมูลอีเมลแล้วปริบัลอย่างต่อเนื่อง7็วัน ล, ลองดูนี่เป็นกิจกรรมท้าให้ทำที่เพิ่มเติมจากการฟัง ทางวิทยุฟังทางพอดแคสต์แต่เรานำมาใช้ด้วยนำมาทำด้วยในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับตะบวงเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเชา้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a .org